สนันท ก, กะลิชชวิสูตรว่าด้วยมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันท ก, กะหนึ่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะคูตคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันท ก, กะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภยิวาตแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันท ก, กะดังนี้ว่านันท ก, กะอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบานันไม่มีทางตกตา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 เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสาเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าอันหนึ่งอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอายุทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นผู้ประกอบด้วยวันนะทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์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 แต่เรารู้เองเห็นเองทราบเองจึงกล่าวเรื่องนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วบุรุษคนหนึ่งได้กล่าวกับมหาอามาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันทะกะว่าถึงเวลาอาบน้ำแล้วขอรับมหาอามาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันทกะกล่าวว่านายบัดนี้